ด้วยรักบรรดานิทานสีขาวคำพูดกับขนมตาล น, นานมาแล้วนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีพิทูลเศรษฐีเป็นผู้ปกครองดูแลชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้ชาวบ้านแห่งนี้อยู่ดีมีสุขได้ก็เพราะพิทูลเศรษฐีใช้หลักการปกครองโดยยึดคุณธรรมเป็นที่ตั้งดังนั้นชาวบ้านจึงรักและเคารพพิทูลเศรษฐีมาก อยู่มาวันหนึ่งพิทูลเศรษฐีเกิดล้มป่วยลงและต้องใช้เวลารักษาร่วมเดือนจึงจะมีอาการดีขึ้นหลังจากนั้นก็ป่วยกระสอบ ก, กระแสะมาโดยตลอดด้วยสุขภาพที่แย่ลงทำให้พิทูลเศรษฐีเริ่มคิดได้ว่าตนเองคงถึงวัยที่ต้องปลดระวางจากภาระต่างๆเสียแล้วแน่นอนว่าพิทูลเศรษฐีต้องยกภาระดังกล่าวนี้ให้แก่บุตรชายคนเดียวของเขา ซึ่งมีนามว่านาคาเป็นผู้สารต่อนาคาเป็นเด็กหนุ่มรูปงามมีสติปัญญาดีเยี่ยมฝีมือการรบเป็นยอดเรียกได้ว่าอะไรอะไรก็ดีพร้อมไปหมดเสียอยู่อย่างเดียวคือมีนิสัยชอบเก็บทุกสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาคิดมากเกินไปและด้วยนิสัยดังกล่าวนี้เองทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายมากมายภายในหมู่บ้าน หลังจากนาคาเข้ามาปกครองได้เพียงไม่กี่เดือนนีเจ้าไปท้าประลองกับหมู่บ้านข้างๆมาอีกแล้วหรือเศรษฐีพิชูนถามบุตรชายหลังจากรู้เรื่องมี่ไม่ใช่ครั้งแรกแต่ก็เป็นครั้งที่สามแล้วในรอบเดือนเจ้าทำเช่นนี้ได้อย่างไรแบบนี้หมู่บ้านของเราก็มีศัตรูรอบด้านนะสิ แต่หัวหน้าหมู่บ้านแห่งนั้นมันกล่าวคำปลามาลูกนะพ่อมันหาว่าลูกปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมแต่ริมาปกครองหมู่บ้านยิ่งไปกว่า น, นั้นมันยังหาว่าพ่อป่วยไข้จนสติเลอะเลือนถึงได้ยกตําแหน่งผู้นําให้กับลูกนาคาเล่าด้วยความโกรธแค้นอะไรกันนาคาตอนนี้เจ้าก็ไม่ใช่เด็กๆแล้ว ยายจึงเก็บเอาคำกล่าวอันหาสาระไม่ได้เช่นนั้นมาคิดให้มีอารมณ์เหมือนเป็นเด็กเล็กด้วยเจ้าก็น่าจะรู้ว่าพ่อเลือกให้เจ้าเป็นผู้นำหมู่บ้านก็เพราะความสามารถของเจ้าไม่ใช่แค่พ่อแต่ชาวบ้านทุกคนเชื่อในตัวเจ้าเราเลือกเจ้าเพราะตัวเจ้าสมควรได้รับตำแหน่งนี้แค่นี้ ก็น่าจะทำให้เจ้าปกครองหมู่บ้านของเราอย่างภาคภูมิใจได้แล้วมิใช่หรือทำไมเจ้าต้องไปสนใจคำว่ากล่าวของคนที่ไม่หวังดีกับเราด้วยพิธทูลเศรษฐีกล่าวติดติงบุตรชายแต่ลูกทนไม่ได้หรอกพ่ออย่างครั้งที่แล้วเจ้าลูกชายของหัวหน้าหมู่บ้านทางใต้นั่นก็กล่าวหาว่าหมู่บ้านของเราล้าหลังโดยหารู้ไม่ว่าถึงเราจะล้าหลัง แต่ชาวบ้านของเราก็มีความสุขกว่าชาวบ้านในหมู่บ้านของมันเป็นไหนไหนชาวบ้านในหมู่บ้านเราไม่เคยประท้วงหัวหน้าหมู่บ้านเพราะความอดอยากแต่ชาวบ้านของพวกมันนะ่ะประท้วงกันประจำเฮ้นาคากระแทกเสียงก็ถ้าเจ้ารู้อย่างนั้นก็ดีแล้วนี่จะไปท้าประลองให้ชาวบ้านของเราเจ็บเนื้อเจ็บตัวทำไมกัน เอาเวลามาพัฒนาหมู่บ้านให้ชาวบ้านอยู่ดีมีสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ดีกว่าหรือโธ่พ่อก็ลูกทนไม่ได้นี่คำด่าว่าทุกคำมันติดอยู่ในใจลูกถ้ามีทำอะไรเพื่อเป็นการตอบโต้บ้างลูกก็จะเจ็บใจหรือจะทนหากใครกล้ามาว่าร้ายลูกลูกจะจัดการมันให้สะสมเลยคอยดูหน้าค้ากล่าวเสียงเฉียบ สร้างความไม่สบายใจให้แก่พิทูลเศรษฐีเป็นอย่างมากนิสัยเก็บเอาทุกเรื่องที่ได้ยินมาคิดมากจนเกินเหตุไม่เพียงสร้างศัตรูภายนอกให้แก่นาคาแต่ยังสร้างศัตรูภายในให้เกิดขึ้นด้วยเมื่อสุดท้ายผู้คนต้องถูกเกณฑ์ออกไปประลองกับหมู่บ้านอื่นๆอยู่บ่อยๆชาวบ้านจึงไม่ใครมีความสุขมากนะัก พวกเขาจึงพากันจับกลุ่มวิภากวิจารณาคาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ปกครองหมู่บ้านที่พรากนในครอบครัวของตนไปบาดเจ็บล้มตายเสียมากเมื่อนาคารู้ว่าชาวบ้านพูดถึงตนเองเช่นนั้นก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟสั่งลงโทษชาวบ้านเหล่านั้นอย่างรุนแรงสุดท้ายพิทูลเศรษฐีก็ทนในพฤติกรรมของบุชายไม่ไหวเข้ายึดตาแหน่งหัวหน้าหมู่บ้านคืนและสั่งขับไล่นาคาออกจากหมู่บ้าน พ่อของลูกทำไมท่านทำกับลูกอย่างนี้ลูกทำอะไรผิดอย่างนั้นหรือนาคาพูดโดยยังไม่รู้สำนึกไปสะเถิดนาคาจนกว่าเจ้าจะสำนึกได้และเปลี่ยนแปลงตนเองซะใหม่ถึงวันนั้นเจ้าจึงค่อยมาเจอหน้าพ่อพิทูลเศรษฐีกล่าวเสมือนไร้เยื่อใหญ่ เพราะพิทุลเศรษฐีเป็นพ่อนาคาจึงยอมออกจากหมู่บ้านแต่โดยดีและระหว่างทางที่เดินเร่ร่อนอย่างไม่มีจุดหมายอยู่นั้นในหัวของนาคาก็มีแต่เรื่องคับแค้นใจเขาว่าเขาไม่ใช่คนผิดคนที่มาว่าร้ายเขาตั้งหากที่ผิดและสมควรได้รับการลงโทษในตอนนั้นเองนาคาสังเกตเห็นพิสุกรูปหนึ่ง กำลังนั่งสมาธิอย่างสงบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งด้วยอารมณ์เคืองแค้นที่กำลังเดือดพร่านทำให้นาคารู้สึกขัดตาในความสงบนิ่งของพิสุรูปนั้นและมองว่าเป็นความเกียดกร้านจะมากกว่าดังนั้นนาคาจึงปลีเข้าไปใกล้แล้วตะโกนใส่พิษุรูปนั้นอย่างกลาดเกลียวว่านี่นะเจ้าพระจอมขี้เกียจเกิดมาเคยทาอะไรให้เป็นประโยชน์กับใครบ้างไหมดูค่าสิ ข้าตั้งใจปกครองหมู่บ้านยังเหนื่อยยากแต่ก็ยังมีคนพูดจาว่าร้ายข้าทั้งๆ ท, ที่ข้าไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยอันที่จริงแล้วถ้าใครสักคนจะถูกด่าว่าก็าควรจะเป็นเจ้านี่แหละเพราะเจ้าเป็นคนขี้เกียจเอาแต่นั่งหลับตาอยู่เฉยๆแถมยังเกาะคนอื่นกินใบวันๆแล้วยังไปหน้าไปสั่งสอนคนอื่นๆให้ขี้เกียจตามตัวเองไปด้วยคนหญิงเจ้านี่แหละที่สมควรถูกตําหนิเป็นที่สุด นาคาด่าว่าภิกษุกรุ่งนั้นอย่างโมโหโทโสด้วยเรื่องร้อยพันประการที่หัวใจพันพาลของเขาจะคิดออกพักใหญ่จนกระทั่งตัวเองเหนื่อยหอบเมื่อเสียงของนาคาเงียบลงพระภิกษุจึงค่อยๆลืมตาขึ้นมองเด็กหนุ่มก่อนจะยิ้มแล้วพูดอย่างอ่อนโยนว่าดูท่าประสบคงจะเดินทางมาไกลคงเหนื่อยและกระหายน้ํามากฉะนั้นเชิญประสบนั่งลงก่องเถิด อาตอมาจะไปเอาน้ำจากลําธารใกล้ๆมาให้ประสบดื่มเองนาคารู้สึกพิสวงงงงวยต่อคำพูดของภิกษุกรูปนี้จึงเต็มไปด้วยความอ่อนโยนนุ่มนวลในบัดนั้นนาคาบังเกิดความละอายใจอย่างฉับพลันและเริ่มคิดได้การด่าทอใส่ร้ายพระภิกษุกผู้สืบทอดธรรมะอันประเสริฐจากพระพุทธองค์เป็นเรื่องผิดบาปมากดังนั้นเขจึงก้มลงกราบที่เท้าของ พระพิสุกรูปนั้นพลางพูดว่าโปรดให้อภัยในความผิดของข้าน้อยและโปรดบอกข้าน้อยด้วยทัศนว่าทาั้งๆที่ข้าน้อยแสดงความโกรธและความหยาบคายออกไปเช่นนั้นแต่เหตุใดท่านจึงเงียบเฉยและนิ่งสงบอยู่ได้มิหนังซ้ำยังแสดงน้ำใจแก่ข้าน้อยซึ่งล่วงเกินท่านอย่างไม่น่าให้อภัยอีกด้วยพระพิสุกเมื่อได้ฟังดังนั้นก็กล่าวตอบว่า ประสบน้อยหากประสบน้อยมีขนมตาลบูดเน่าอยู่ในมือและมีความคิดที่จะนำไปให้ใครสักคนแต่คนคนนั้นไม่รับขนมตาลบูดเน่าจากประสบขนมตาล น, นั้นจะไปไหนหนาคาตอบทันทีว่าก็กลับไปที่คนให้สิขอรับถ้าอย่างนั้นประสบไม่เห็นหรือว่า อาตมาไม่ได้รับเอาคําพูดที่ประสบพูดเลยมาแม้แต่คําเดียวแล้วอย่างนั้นคําพูดของประศกจะทําร้ายอาตมาได้อย่างไรเล่าในฉับพันนั้นหัวใจของนาคาก็รู้สึกเต็มตื้นและสว่างสวัยไปด้วยคําตอบเขาเข้าใจแล้วว่าอะไรคือปัญหาในตัวเขาเขาเข้าใจแล้วว่าทําไมพ่อจึงไล่เขาออกจากหมู่บ้านปัญหาทุกอย่างไม่ได้เกิดเพราะคําพูดของใครๆ แต่เป็นเพราะตัวเขารับเอาคําพูดเหล่านั้นมากัดกินหัวใจของตนเองเป็นเพราะตัวเขาเองแท้ๆไม่ใช่ใครเลยนาคากราบลาพระพิสุกรูปนั้นซึ่งได้ให้พรเขาเป็นการส่งท้ายเขารีบรุดกลับหมู่บ้านทันทีอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าที่ชาวบ้านจะหันมาเชื่อมั่นในตัวเขาอีกครั้งแต่เขาก็จะพยายามและไม่เก็บเอาคําพูดว่าร้ายซึ่งไม่สร้างประโยชน์ใดๆมาคิดให้เกิดผลเสียอีกต่อไปแล้ว เธอทั้งหลายแท้จริงแล้วขนมตาลบูดเน่าย่อมไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนอยากได้แต่ก็น่าแปลกที่หลายคนมักยื่นมือออกไปรับและพร้อมที่จะคืนกินมันอยู่เสมอทั้งๆที่รู้ดีว่าขนมตาลบูดเน่ารสชาติไม่อร่อยและอาจให้โทษแก่ร่างกายอย่างร้ายแรงเช่นเดียวกับคําพูดว่าร้ายต่างๆทงั้งๆที่เรารู้แก่ใจว่าคําพูดเหล่านั้นส่วนใหญ่ไม่ใช่เรื่องจริงกลับมีแต่จะทําให้เราสิ้นกําลังใจ เราก็ยังรับเอามาทําลายหัวใจของเราซ้ําแล้วซ้าเล่าจนหัวใจของเราบอบช้ําอย่างน่าสังสารคงเหนื่อยใจไม่รู้จบหากเธอต้องเก็บเอาคําพูดว่าร้ายของทุกคนมาใส่ไว้ในหัวใจและพร่ำคิดถึงคําพูดเหล่านั้นทุกขั้เช้าหากเธอเป็นดังเช่นนี้ได้โปรดถามตนเองหน่อยเถิดว่าเธอได้รับประโยชน์อะไรจากการพร่ำคิดเช่นนี้บ้าง ถ้าเธอมั่นใจว่าทุกๆสิ่งทำไปเป็นเรื่องดีและถูกต้องแล้วเธอจะเก็บคำว่าร้ายของคนอื่นมาทำลายกำลังใจตนเองไปทำไมไม่มีประโยชน์เลย